เรื่องลักของสงเจ็เรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทัยจิตได้ลักผลมะม่วงของสงแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่77สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทัยจิต